พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบเอ็ดสุตตันตปิฎกทีฆานิกายปาติกวักพระสูตรที่หนึ่งปาติกสูตรสูตรว่าด้วยชีเปลือยบุตรแห่งปาติกะช่างทาถาดพระผู้มีพระภาคประทับนนนิคมชื่ออนุปียะแคว้นมันละเช้า ว, วันหนึ่งเสด็จออกบินทบาทแต่ยังเช้าอยู่ จึงเสด็จแวะไปยังอารามของพักวะโคตรบริพาชกตรัสสนทนากับพักวะโคตรบริพาชกผู้ทูลถามเรื่องบุตรลิชวีชื่อสุนักขตตะผู้เข้ามาบวชแล้วสึกไปโดยให้เหตุผลว่าหนึ่งตนจะไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคต่อไป 2. เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ดู 3. เพราะไม่ทรงบัญญัติสิ่งที่เป็นเลิศคือไม่ชี้สิ่งประเสริฐสุดหรือสิ่งที่เป็นต้นเดิมของสิ่งทั้งหลายว่าได้แก่อะไรซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าว่าในข้อหนึ่งพระองค์ได้ตรัสถามเขาว่าพระองค์ได้เคยขอร้องให้เขามาอยู่อุทิศพระองค์คือมาบวชหรือว่าเขาเคยเข้ามากราบทูลว่าจะอยู่อุทิศพระองค์บ้างหรือเปล่า เขาตอบว่าเปล่าเมื่อเป็นเรื่องเปล่าจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะบอกเลิกใครในข้อสองตรัสถามเขาว่าพระองค์เคยตรัสหรือไม่ว่าจงมาอยู่อุทิศพระองค์เถิดแล้วพระองค์จะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ดูก็ตอบว่าเปล่าตรัสถามต่อไปว่าถ้าแสดงฤทธิ์ให้ดูหรือไม่แสดงก็ตามจะทำให้สิ้นทุกข์ได้หรือไม่ ตอบว่าไม่ทำให้สิ้นทุกข์ได้จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นการแสดงฤทธิ์จะทำอะไรได้ในข้อสามตรัสถามเขาว่าพระองค์เคยตรัสหรือไม่ว่าจงมาอยู่อุทิศพระองค์เถิดแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติสิ่งที่เลิ่แก่เขาเขาตอบว่าเปล่าตรัสถามต่อไปว่า จะบัญญัติสิ่งที่เลิศหรือไม่ก็ตามจะทำให้สิ้นทุกข์ได้หรือไม่ตอบว่าไม่ทำให้สิ้นทุกข์ได้จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นการบัญญัติสิ่งที่เลิศจะทำอะไรได้อันหนึ่งได้ตรัสเป็นเชิงทบทวนความทรงจาว่าสุนัขข ต, ตะเคยกล่าวพันนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นอเนกประการในวัดชีคาม เรื่องชีบเปลือยชื่อโกรักขตียะตรัสเล่าต่อไปว่าเคยตรัสแก่สุนักขตตะเลชวีมุตรถึงชีบเปลือยชื่อโกรักขตียะผู้ประพฤติวัดดังลูกสุนัขคือลงคลานสีเท้ากินอาหารที่ตกอยู่บนพื้นดินด้วยใช้ปากงับไม่ใช้มือหยิบเข้าปากว่าจะตายด้วยโรคท้องอืดในวันที่เจ็ดแล้วถูกนาไปทิ้งในป่าช้า ซึ่งมีกอหญ้าคมบ้างสุนัขขัตตะลิชวีจึงไปหาชีพเปลือยชื่อโกรักขติยะเล่าคําของเราให้ฟังแล้วแนะให้บริโภคอาหารพอประมาณดื่มน้ําพอประมาณเพื่อจะให้ถ้อยคําของเราคลาดเคลื่อนครั้นในวันที่เจ็ดชีเปลื่อยนั้นก็ตายและถูกนําไปทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งมีกอหญ้าคมบ้าง เราจึงย้อนถามสุนัขัตะลิชวีว่าที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราแสดงอิทธิปาฏิหารแล้วหรือยังสุนัขขตะลิชวีก็รับว่าแสดงแล้วเรื่องชีเปลือยชื่อกลาลมาชกะรัดเล่าถึงชีเปลือยชื่อกลารมาชกะภูเลิดด้วยลาบยศ อาศัยอยู่ในวัดชีคามใกล้กรุงเวสาลีเป็นผู้ถือข้อปฏิบัติ7ประการคือหนึ่งเลยกาย 2. ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนธรรม 3. ดื่มสุราและกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตไม่กินข้าวสุก ข, ขนมสด 4. ไม่ล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศบรูรพาหรือตะวันออกห ไม่ล่วงเกินโคตมักะเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศทักษินคือทิศใต้หไม่ล่วงเกินสัตตมพระเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศประจิมคือตะวันตกเจ็ไม่ล่วงเกินประหูปุตตะกะเจดีซึ่งตั้งอยู่ทิศอุดอนคือทิศเหนือของกรุงเวสาลีเราเคยกล่าวกับสุนทขัตติลิชวีว่ากาละระมช ก, กะ จะนุ่งผ้ามีภริยากินข้าวสุก ข, ขนมสดคือเพิ่มขึ้นจากสุราและเนื้อสัตว์ล่วงเกินเจดีทั้งปวงในกรุงเวสาลีเสื่อมจากยศและตายเหตุการณ์ก็เป็นจริงดังที่เรากล่าวเราจึงถามสุนัขคตะลิชวีว่าที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วหรือยังสุนัขคตาลิชวีก็รับว่าแสดงแล้ว เรื่องชีเปลือยชื่อปาติกะบุตรตรัสเล่าถึงชีเปลือยชื่อปาติกกบุตรผู้เลิศด้วยลาบยศอาศัยอยู่ในวัดชีคามใกล้กรุงเวสาลีชีเปลือยผู้นี้เปล่งวาจาในถ้ำกลางบริษัทว่าพระสมณะโคดมเป็นยานวาฏทะคือผู้กล่าวรับรองยานความรู้ตนก็เป็นยานวาฏทะ ควรจะแสดงอิทธิปฏิหารด้วยกันได้พระสมณะโคโดมมาเครื่องทางตนจะไปเครื่องทางพระสมณะโคโดมแสดงอิทธิปฏิหารกี่อย่างตนก็จะแสดงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อสุนทขัตตะลิชวีมาเล่าให้ฟังเราจึงกล่าวกับชีเปลือยชื่อปาติกบุตรถ้าไม่ละทิ้งถ้อยคำนั้นความคิดนั้นไม่สละความเห็นนั้น ก็ไม่ควรมาอยู่ต่อหน้าเราถ้าขืนมาสีษะก็จะแตกสุนักขะตะาิชวีขอให้เรารักษาถ้อยคำที่เราพูดไว้เราจึงให้สุนักขะตะลิชวีไปบอกแก่ชีเปลือยชื่อปาติกบุตรเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อกลับจากบินธบาตในกรุงเวสารีเราจึงเข้าไปพักกลางวันในอารามของชีเปลือยชื่อปาติกบุตร สุนัขขตะลิชวีก็รีบเที่ยวไปบอกพวกกษัตริชวีรวมทั้งพรามมหาศาลคือพราม์ที่มีทรัพย์มากขา้ารืหะบดีมหาศาลและสมณพรามเจ้าลัทธิต่างๆให้รีบไปดูการแสดงอิทธิปาฏิหาริ์ระหว่างเรากับฉีเปลือยชื่อปาติกบุตรเมื่อฉีเปลือยชื่อปาติกบุตรทราบว่ามีคนมาประชุมเพื่อจะคอยดูก็ตกใจกลัว จึงเดินทางไปยังอารามของปริพาชกชื่อตินลุคานุแปลว่าตอไม้มะพร้าวพวกบริษัทก็ไปตามพูดขอร้องให้ไปแสดงตัวชีพเลยผู้นั้นก็พูดว่าจะไปแต่กระเสือกระสนอยู่ในที่นั้นลุกขึ้นไม่ได้มหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีไปตามเขาก็พูดอย่างนั้นแต่ลุกขึ้นไม่ได้ ชาลิยะสิทธิ์ของปริภาชกผู้ใช้บาทไม้จึงไปตามและพูดว่าอย่างเจ็บเจ็บแต่ก็ไม่สำเร็จชีเปลยไม่ยอมไปแสดงตัวเราจึงแสดงธรรมแก่บริษัทที่ไปประชุมนั้นแล้วกลับที่พักแล้วเราได้ถามสุนักขตะลิชวีว่าที่เป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราแสดงอิทธิปาฏิหารแล้วหรือยังสุนัขขตะลิชวีก็รับว่าแสดงแล้ว อักันยะเรื่องของสิ่งที่เลิศหรือเป็นต้นเดิมตรัสต่อไปว่าเรารู้จักสิ่งที่เลิศรู้จักสิ่งที่เลิศยิ่งขึ้นไปกว่านั้นแต่รู้แล้วก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือก็รู้แจ้งนิพพานเฉพาะตนเมื่อรู้จึงไม่ประสบความเสื่อมครั้นแล้วทรงแสดงสิ่งที่เลิศตามทัศนะของศาสนาอื่นต่อไปนี้ 1. สมณพราหมางพวกบัญญัติสิ่งที่เลิศอันเป็นคำสอนของอาจารย์คืออิสระกุตตะเรื่องที่พระอิสวนสร้างพรมากุตตะพระพรมสร้างคือเมื่อโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปบางครั้งพรหมวิมานว่างไม่มีใครผู้ที่ไปเกิดในที่นั้นคนแรกก็นึกว่าตนเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไปเกิดที่หลัง ก็นึกว่าตนเป็นผู้ที่มหาพรหมสร้างขึ้นต่อมาพวกเหล่านั้นมาเกิดในโลกนี้ออกบวชบาเพ็ญเพียรระลึกชาติได้ก็เอาความเข้าใจสมัยที่เกิดในพรหมโลกนั้นมากล่าวว่ามีผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง 2. สมณพราหมณ์บางพวกบัญญัติสิ่งที่เลิศอันเป็นคำสอนของอาจารย์เกี่ยวกับเทพ พกิดดาปโทสิกะคือผู้เสียหายหรือมีโทษเพราะการเล่นคือเมื่อมาออกบวบบำเพ็ญเพียรระลึกชาติได้ว่าตนเคยเป็นเทพพวกขิดดาปโธสิกะต้องจุติคือพ้นฐานะเดิมเพราะการเล่นสนุกสนานจึงเห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยงพวกขิดดาปโทสิกะไม่เที่ยงสา สมณพราหมณ์บางพวกบัญญัติสิ่งที่เลิศอันเป็นคำสอนของอาจารย์เกี่ยวกับเทพพวกมโนปโทสิกะหมายถึงผู้เสียหายหรือมีโทษเพราะคิดร้ายผู้อื่นคือเมื่อมาออกบวชบำเพ็ญเพียรประลึกชาติได้ว่าตนเคยเป็นเทพพวกมโนปโทสิกะต้องจุติคือพ้นฐา น, นะเดิมเพราะคิดร้ายผู้อื่นจึงเห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยง พวกมโนปโทสิกะไม่เที่ยง 4. สมณพราหมางพวกบัญญัติสิ่งที่เลิศอันเป็นคำสอนของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอาทิตจะสมุ ป, ปันนะคือการมีเป็นขึ้นเองโดยไม่มีเหตุคือเมื่อมาออกบวชบำเพ็ญเพียรระลึกชาติได้ว่าตนเคยมีสัญญาเกิดขึ้นขณะเป็นอสัญญีสัตว์ไม่มีสัญญาพอเกิดสัญญาขึ้น ก็จุติจึงระลึกได้สิ้นสุดลงเพียงเมื่อจะจุติเท่านั้นย้อนหลังไปกว่านั้นไม่เห็นมีอะไรจึงเห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุข้อบัญญัติทั้งสี่นี้เป็นทิฏฐิความเห็นที่มีมูลฐานมาจากความรู้เพียงปลอใดเปลอหนึ่งไม่รู้ตลอดสายทาให้เข้าใจผิดดูพระมชาลสูตรประกอบซึ่งย่อไว้แล้ว ครั้นแล้วตรัสเรื่องสุภวิโมกซึ่งอัถกถาอธิบายว่าการบําเพ็ญกสินคือการเพ่งรูปนิมิตแบบใช้สีเป็นอารมณ์เมื่อจบพระพุทธดำรัสภควะโคตระภริภาชกชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคหมายเหตุ <My head S 2> เป็นอันทรงตอบข้อกล่าวหาของสุนัขขตาลิชวี ที่ว่าไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหารและไม่แสดงสิ่งที่เลิศหรือสิ่งที่เป็นต้นเดิมของสิ่งทั้งหลายว่าได้ทรงแสดงแล้วอย่างไร